น้ำปานะและยาปรมัตสสมุนไพรที่ปรุงแต่ง 9. พระภิกษุสามเณรที่บวชมาแล้วไม่ควรฉันปานะและยาปรมัาสสมุนไพรที่ปรุงแต่งจนเกินไปตีความพระวินัยคลายเคลื่อนเข้าข้างตนเองอ้างว่าวัดนั้นก็ฉันกันครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็ฉันกันเพื่อความใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระวินยัยและตัดปริโภ o t ความกังวล จึงได้ห้ามพระภิกษุสามเณรหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหยุดฉันปาณะและยาประมัดสมุนไพรจำพวกบวยเค็มบวยหวานลูกทอ้อลูกสมอจีนมะขามแก้วไอศครีมแท่งลูกอมเยลลี่ขนมเยลลี่ผสมบุกเป็นถ้วยๆยรังนกเนื้อเฉาก้วยว่านหางจระเข้สาหร่ายทะเลที่เป็นแผ่นเนยกวนปรุงรสตาลูกยอ มเม็ดทานตะวันกระเทียมดองหอมหัวใหญ่หัวเล็กพริกหยวกใบแมงลักใบโหระพาใบากระเพราใบาสะระแหน่ผักชีเทศใบบัวบกที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเป็นน้ําปานะเนื้อลูกพรุนและมะนาวที่เป็นลูกๆที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองเป็นน้ําปานะส่วนใหญ่เป็นของที่ญาติโยมนํามาถวายแต่ไม่ทันได้คิดว่า ถ้าฉันไปแล้วจะทำให้พระเนนเสียหรือบางทีญาติโยมก็คิดว่าพระท่านไม่ค่อยได้ฉันอะไรมากมาอยู่แล้วอาหารก็ฉันมือเดียวตอนบ่ายก็ฉันได้แต่น้ำหวานน้ำผลไม้ก็อยากให้พระเนนท่านได้ฉันของดีๆแปลกๆพิสดารบ้างให้พระเนนได้ผ่อนคลายบ้างปฏิบัติอย่างเดียวเดี๋ยวจะเครียดพระเนนองไหนที่ท่านตะบะดีฉันไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เสีย หรือบางทีท่านก็มีข้อวัดของท่านแยกแยะว่าอันไหนควรฉันไม่ควรฉันอย่างนี้ก็ดีไปแต่สําหรับผู้ที่ตะบะยังไม่กล้าแข็งพอก็ยังไม่รู้จักแยกแยะว่าอันไหนควรฉันไม่ควรฉันเมื่อฉันไปแล้วก็ติดอกติดใจควนขวายหามาไม่เคยสั่งโยมก็กล้าที่จะสั่งให้โยมหามาบางทีก็ปรุงแต่ง เอามาผสมรวมกันเพิ่มรสเพิ่มชาติวันไหนไม่ได้ฉันก็หงุดหงิดรำคาญใจไม่ได้ฉันก็ทำสมาธิไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็พกติดตัวติดย่ามเป็นสเสบียงไปเป็นหอบหอบสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านจะไม่ยุ่งกับเรื่องการขบฉันมากมีอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันส่งเสริมกิเลสท่านจะไม่เอาด้วย และท่านก็จะสงวนรักษาพระเนนมากท่านจะห้ามไม่ให้พระเนนธรรมห้ามไม่ให้พระเนนฉันมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าการขบฉันของพระเนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารกลับกลายมาเป็นการขบฉันเพื่อส่งเสริมกิเลสมันถึงกับหวางกั้นคุณธรรมความดีไม่ให้เกิดมีขึ้นถ้าเราติดในเรื่องการฉันถึงแม้ในพระวินยัยจะไม่ได้ห้ามไว้ แต่ถ้ามันทำให้พระเนนเสียทำให้พระเนนใจแตกท่านก็จะถือว่าเป็นมหาภัยที่สุดถ้าเป็นยาประมัดสมุนไพรที่ปรงแต่งมากเกินท่านก็จะว่าเป็นยาเบื่อพระเบื่อเนนถ้าเป็นน้ำปานะที่พิศดานเกินท่านก็จะว่าเป็นน้ำพาพระเมาพระเนรฉันแล้วเมาติดกันงองงมแงมไม่มีก็ถามหาบางคนตั้งแต่ยังไม่ได้บวช ก็ยังไม่เคยได้ฉันของดีๆแปลกๆพิสดารอย่างนี้ทำให้เพื่มความหลงเข้าไปอีกหรือบางทีผู้ที่ไม่รู้มาพบเห็นเข้าก็จะเข้าใจว่าพระเนนฉันอาหารในเวลาวิการก็มี